ให้พร่อนซะก่อนจังหวแตกกันที่ว่าถวายแล้วที่ว่าถวายพระตาหารแล้วรัพรซะก่อนทานผลทานบุญกุศลหรือว่าที่เรียกว่ากรรมกรร ม, มังสเตวิภัสติยะดิดังฮีนะปนิตตายะ กรรมย่อมจาแนกให้เร็วและปา น, นีดตามเหตุแห่งการกระทาทำบุญทำทานบริจาคทานทำกรรมดีรว่าเรียกว่าเป็นกุศลคือความดีจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลหรือที่ ท่านสวดกุสราธรร ม, มาอกุสราธรรมากุสราธรมมา ร, ธร ม, มากิจที่เป็นกุศลกุศลคือกิจมีความฉลาดมีความฉลาด ม, ม, ม, มีปัญญาทำเหตุที่ให้เกิดประโยชน์ก็เป็นบุญเป็นความสุขมเมื่อทำความดีทำทานบริจาคทานช่วยเหลือหรือ ปิติความเอิบอิมก็เกิดขึ้นถ้าทำอกุศลทำแล้วก็เครือบแข็งกระซับกระสายร้อนนั่นเรียกว่าอากุศลอกุศลคือความไม่ฉลาดความไม่เป็นบุญเป็นบาปกุศลความฉลาดความทำจิตให้ เออบอิ่มให้เบิกบานนี่เป็นบุญเกิดจากการกระทำเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ทำแต่ทำมาเรื่อยทุกวันทุกวันแต่วันนี้ก็ได้ทำถือว่าทำเป็นพิเศษทำเป็นพิเศษเมื่อทำแล้วก็ใจนั่นแหละเป็นที่ รวมเพราะฉะนั้นเมื่อทำแล้วจะคานุสติให้มีสติกำหนดรูลรลลึกถึงทานการให้ที่ได้ให้ไว้ดีแล้วเป็นอารมณ์ของใจจะยังความเอิบอิ่มให้เกิดขึ้นและเป็นความตั้งมั่นความสงบของใจนี่ยใ่าการให้ทานเป็นเหตุให้เกิด ความเอิบอิ่มเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นนางวิสาขาเคยกาบทูลขออนุญาตต่อพระพุทธเจ้าถวายทานอาหารอันประนีตแด่ภิกษุสงฆ์เริ่มแรกพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นในรุ่นแรกๆท่านจะมีแต่เที่ยววินทบาทเมื่อมีผู้ ใส่บาตรให้อาหารตกลงในบาตรอย่างไรท่านก็จะฉันอย่างนั้นจะไม่รับอาหารที่นํามาถวายหรือนิมนต์ไปฉันในบ้านในเรียนอย่างนี้ท่านจะไม่รับท่านต่อมานางวิสาขาก็เห็นความลําบากของพระสงฆ์ที่ท่าน เดินบิณฑบาตบางองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้อาหารบางวันไม่มีผู้ใส่บาตรให้พระก็ไม่ได้ฉันที่นางวิสาขาจริงอยากจะนิมนต์ฉันที่บ้านอยากจะถวายอาหารอันประณีตที่นอกจากการใส่ลงไปในบาตรก็ไปขออนุญาตพระพุทธเจ้า พระุทธเจ้าจึงถามนางวิสาขาเห็นประโยชน์อย่างไรจึงอยากจะถวายอาหารอันประณีตแด่พระภิกษุสงฆ์นางวิสาขากราบทูลเมื่อข้าพระ อ, องค์ได้ให้ของอันประณีตยังปิติให้เกิดขึ้นภายในจิตของข้าพระ อ, องค์ เมื่อกิตมีปิติเ อ, อิบอีิ่มความมั่นคงของใจคือสมาธิความมั่นคงก็เกิดขึ้นเมื่อกิตมีสมาธิความตั้งมั่นความสงบมั่นคงด้วยการาระลึก ถ, ถึงทานที่ได้ให้อันปานีตข้าพอง ก, ก็มีความสุข พระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้พระสงฆ์ทั้งหลายรับอาหารอันประนีที่ถวายทานอที่นิมนต์ไปฉันที่บ้านที่เรียนนีมีเหตุผลอย่างนี้เ <c oughs> พราะฉะนั้นทานการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิจิตใจมีสมาธิเป็นฐาน แน่แน่ก็เป็นเหตุที่จะน้อมไปในการพิจารณาสร้างปัญญาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นให้ยินดีในการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ให้ภาวนาเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดขึ้นไม่เที่ยงแปลปวนความแปลปวลนเป็นทุกข์สุดท้ายก็สลายไม่มีตัวตนหรือว่าอนัตตานี่ภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตานิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์มบ่มจิตให้สงบเข้าไปถึงฐานแห่ง ความรู้อันแท้จริงแล้วก็จะปัญญาความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนอุปทานความหลงความยึดมั่นถือมั่นก็จะหมดอำนาจไปสิ้นสุดไปเหลือแต่ความรู้ตื่นเบิกบานในธรรมจะทำให้มีความสุขด้วยความรู้ความเห็น ในสภาวะธรรมทั้งหลายตามเป็นจริงจิตใจไม่วุ่นวายใสยแยเนี่จมให้ภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ให้เพียรภาวนากรรมมัสกมหิกรรมมัทายโทกรรมโยนิกรรมพันทุกรรมปฏิสลโนสัตว์ทั้งหลายมีกรรม เป็นของของตนเมื่อทำกรรมแล้วดีหรือชั่วจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นตามเหตุที่กระทานี่ถ้าภาวนาพิจารณกรรมความรู้และความเห็นประชุมรวมลงเห็นตามการกระทำก็ได้ชื่อว่าการประชุมแห่ง ทำเหืออนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเดีวว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำเป็นจริงก็เห็นกรรมคือการกระทำตามเป็นจริงเรียวว่ายอมรับผลของกรรมนั่นเพราะความเป็นอยู่ในสมมุตินี่มันเป็นอยู่ตาม เหตุปัจจัยแห่งกรรมจะดีจะอยู่มีความสุขความทุกข์จะมั่งมีสีสุขหรือจะขาดตกบกพ้่องก็เพราะเหตุที่ได้กระทำไว้ผู้มีการให้ทานเป็นปกติในปัจจัยสี่ก็จะไม่อดอยากไม่ขาดเขินเพราะว่าได้ทำไว้ใน สมมตินี้เนี่เรื่องเรื่องสมมติเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยส่วนเรื่องทารรส่วนเรื่องปัญญาที่ทำฟอกฝนจิตใจให้สว่างบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะอันนั้นก็เป็นเรื่องวิมุติเรื่องหลุดพ้นจากความหลง ทั้งหลายทั้งปวงถึงแม้จะทำกิตให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วแต่ไม่มีอั น, นสงแห่งทานสมมตินี่ก็ลำบากพัะวิวลรีท่านได้ทำทานไว้มากให้ทานไว้มากเมื่อท่าน เกิดมาท่านก็ไม่อดไม่อยากในปัจจัยสี่ยิ่งท่านทําจิตของท่านให้บริสุทธิ์พ้นไปจากสมมตินี่แล้วก็ยิ่งหมดปัญหาไปพระมหาหนา้าท่านทําจิตของท่านให้บริสุทธิ์หมดจดแล้วแต่การอาศัยอยู่ในละแวกบ้านที่อดอยาก บางวันกปบินทาบาทได้อาหารบ้างบางวันก็ไม่ได้ต่อมามีนางภิกษุณีนางภิกษุณีเป็นพระรหันเข้าสมาบัติอยู่สิบห้าวันไม่ฉันอะไรไม่ฉันข้าวฉันน้ำไม่ขับไม่ทายไม่กระดุกกระดิกเคลื่อนไหวเนี่ยเรียกว่าอยู่ในสมาบัติความสุขแห่งสมาบาัติ สิบห้าวันออกจากสมาบัติแล้วก็เดินสวนทางพระมหาหนาคพระมหาหนาคเที่ยวบินทบาทพระมหาหนาคก็ถามนางภิกษุณีพระคินีอพระคินิพระคินีนิภาษาบาลีถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าน้องหญิงน้องหญิงน้องหญิงเธอได้ฉันบินทบาทหรือยัง ยังเจ้าข้าอดิฉันไม่มีบาท <c oughs> คือนางภิกษุณีไม่มีบาทไม่ได้เที่ยวบินทบาทออกจากสมาบาทมาพระมหานาคท่านก็ยกบาทให้นางภิกษุณีนางภิกษุณีรับโดยความเคารพคือปกติภิกษุภิกษุณีท่านจะรับต่อมือกันได้ ยกบาทให้นางภิกษุณีรับบาทไปทำพัฒกิจที่ไปนั่งฉันพัฒหารในบาทเสร็จแล้วก็ไปล้างบาทนำบาทคืนมาถวายพระมหานาคและก็ให้พรพระมหานาคด้วยต่อไปขอพระผู้เป็นเจ้าจงเที่ยวบินทบาทได้รับบินทบาทโดยง่ายเถิด นี่คือพรหรือว่าที่นางภิกษุณีให้ที่นี่ผู้ที่ท่านออกจากสมาบัตินี่เรียกว่าพระอระหันต์ที่ท่านออกจากสมาบัติมันจะต่างกันนะกับผู้ที่ไม่เป็นพระอระหันต์ออกจากสมาบัติที่ว่าเข้าสมาบัติสมาบัติแต่จิตยังไม่ได้เป็นวิมุตติหลุดพ้นจาก สมมติทั้งหลายเนี่ยนั่นจะต่างกันพระอาหารหันต์ท่านออกจากสมบัติมีผู้ได้ให้อะไรแล้วก็จะได้รับพรสำเร็จโดยง่ายนี่เมื่อนางฟิกษุนียให้พรพระมหานาคแล้วพระมหานาคท่านก็สาธุดีแล้วต่อจากนั้นมาท่านเที่ยวบินทบาตไม่ยาก มีผู้ให้อาหารมีผู้ใส่บาตรโดยง่ายเรียกว่าให้รับบิณฑบาตได้โดยง่ายเถิดอันนี้มันเป็นอันนี้สงแห่งสมมติส่วนเรื่องวิมุตเรื่องจิตดุดดพ้นจากอาสวะความหลงทั้งหลายแหละอันนั้นมันเป็นอันหนึ่งมันเป็นอันหนึ่งอันนั้นมันนอกสมมติที่นี่สมมตินี่มันก็ต้องใช่ในสมมติ เพราะนั้นจึงเกิดอนนสง์จากการกะระทาส่วนผู้ไม่มีอ น, นิสง์มีอ น, นิสงขนาดไหนก็ยอมรับอ น, นิสงของตัวเองเพราะว่าผู้ไม่มีบุญไม่มีอนนสงท่านจึงอุปมาเหมือนกันกันกบหงหงกับเตา เต่ามันเที่ยวกินอาหารอยู่ในบวกในหนองเล็กๆมันไม่ค่อยมีอาหารอะไรที่นี่พวกหงมีปีกบินไปได้ไก่หาอยู่หากินในหนองน้ำที่มีอาหารหงก็มาบอกกับเต่าว่าเออเต่าเต่าเราจะพาไปหาอยู่หากินในที่กว้างขวาง ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์เต่าก็บอกว่าโอ้ยข้าพเจ้าไปไม่ได้หรอขาก็รั้สั่นไม่เป็นไรเดีย๋ยวพวกเราจะเอาไม้มาคาบหงสองตัวผัวเมียคาบไม้คนละข้างแล้วก็ให้เต่าคาบตรงกลางแล้วจะพาบินไปแต่ว่าสัญญาว่าต้องระวังปากให้ดีนะ ขณะที่บินข้ามหมู่บ้านเมืองต่างๆแล้วคนเขาจะลองทักท่วงถ้ารักษาปากไม่ดีเดี๋ยวไปอ้าปากขึ้นแล้วก็จะหลุดไม้ตกพื้นดินก็จะตายโหงบอกไว้หงว่าให้รักษาปากให้ดีสัญญากันแล้วหงก็ขาบไม้ให้เตาขาบตรงกลาง บินขึ้นในอากาศผ่านบ้านเมืองไปชาวบ้านชาวเมืองเห็นเขาก็ร้องทักท้วงว่าหงห้มเต่าหงห้มเต่าอหงหามเตา่หหาอะร้หงหองทักท้วงกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อเต่ามันก็เลยรักษาปากมันไม่ได้อมันก็นึกในใจมันมันจะมาว่าหงห้มเตา่ายังไงเต่าหาบหงมันไม่รู้หรือ นึกที่แรกก็นึกนึกไปนึกมามันเผลอเผลอก้าปากจะล่องบอกชาวบ้านเพราะว่าสูงไม่รู้ว่าเตาหาบหงเหลมันจะบอกเพราะอ้าปากหลุดก็ตกกระแทกพื้นดินนวลกระดองแตกตายนี่เรียกว่าหมดหมดบุญ เต่ามันไม่มีบุญมีผู้จัดพาไปหาที่อุดมสมบูรณ์ก็ไปไม่ได้เพราะว่าบุญของเขาอยู่แค่บวกแค่หนองเล็กๆกลางป่ากลางโคกเท่านั้นที่ถึงแม้ว่าจะช่วยจะทำยังไงก็ต้องรับกรรมของตัวเอง พระเจ้าท่านจึงให้ภาวนารู้จักกรรมรู้จักความพอดีสันทุธิสันทุธิยินดีตามมีตามได้ตามกรรมของตอนเองที่กระทา ม, มาถ้าภาวนารู้เรื่องกรรมลวก็จะสบายที่นี่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายนี่ยกอุทาหรณ์มาให้ฟังในการ ทำบุญทำทานหรือว่าอา น, นิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการกะระ <c oughs> <c oughs> ทำเพราะฉะนั้นการกะระทำที่จะให้อุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่ทรัพย์สมบัติและให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขก็ให้ทานไปเรื่อยๆรักษาศีลไปเรื่อยๆ แล้วก็ภาวนาภาวนาเนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้ามีสติมีปัญญารอบรู้ควบคุม จ, จิตใจของตนเองได้ทำให้สว่างจากความมืดใจเป็นอิสระด้วยแสงสว่างแห่งปัญญานั่นเรียกว่าทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นสุดได้โดยชอบ เพราะฉะนั้นการประพฤติ ร, รมที่เป็นสาระแก่ชีวิตของพวกเราเนี่ยก็มีทานศีลภาวนาใน <c oughs> ปฏิบัติต่อใจด้วยการภาวนาพุทธรู้ใจโทรู้ใจพุทธรู้ใจโทรู้ใจ เป็นปกติต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่ อ, อใจจะมั่นคงแน่วแน่แล้วก็ภาวนาอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความจริงอ น, นี้เข้าสู่จิตสู่ใจเป็นดวงปัญญาญาณทัศน์นะเรียกว่าเพอหรือว่าถอนเหตุ ถอนเหตุถอนเชื่อเพื่จะให้มีความทุกข์ต่อไปสิ้นสุดด้วยปัญญา <c oughs> นี่ได้ทำบุญทำทานได้เจอเมตตาภาวนาต่อไปก็แพรส่วนบุญกุศลปฏิทานาัหมผู้ที่คอยรับอยู่เพราะว่าบาง ภูวางจิตวางใจเขาเขาทำไม่ได้เขาคอยรับจากพวกเราอยู่ก็มีเพราะเขาไม่มีสมบัติไม่มีไม่อยู่ในสภาวะที่จะต้องมาทำทานมาทำทานหรือมารักษาศีลด้วยกายด้วยวาจาไม่มีเขามีแต่รูปที่ไม่ปรากฏมีแต่ใจ เพราะท่านอาศัยคอยรับจากผู้ที่ทําแล้วก็อุทิศให้ที่ท่านเรียกว่าเปตญาติเปเทชนเพราะฉะนั้นต่อไปก็น้อมจิตน้อมใจะระลึกถึงทานที่ให้ดีแล้วศีลที่สมทานรักษาปฏิบัติมาดีแล้วเผื่อแผ่แก่เปเทญาติเปเทชนบิดามารดาปุยญาตายายาติมิตรในอดีต ที่ผ่านมานที่คอยอนุโมทนาสาธุการอยู่ก็เพื่อแผ่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้นอนุโมทนาก็จะสำเร็จประโยชน์จากบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราได้กระทาต่อไปตั้งใจรับพร อ, <c oughs> อุทิศส่วนบุญกุศล